สิกขาบทที่5เรื่องพระชัพพคีกรี6ส1สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุทธชาพกคีฉันกัดคำข้าวพระบัญญัติ5พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเรื่องพระชพปะคีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่พึงฉันกัดคำข้าวภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันกัดคำข้าวต้องอาบัตทุกกดอนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุฉันอาหารเป็นก้อน6กภิกษุฉันผลไม้ต่างๆ7็ภิกษุฉันแกงอ่อม8ปภิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเก้าภิกษุวิกลจริตสิภิกษุต้นบัญญัติ สิขาบทที่5จบ